ท่านฟังที่ครรอค่ะรายการสันสนีสนธนานะคะต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่ใกล้จะหมดปีแล้วจริงๆนี่ก็มาถึงช่วงเวลาที่สองที่เรากำลังจะได้พบกับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนแห่งวัดตาดอนหายโศจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งขณะนี้ท่านก็พร้อมแล้วที่จะมาพบกับพวกเราคะ่ะ น, นัวัฒก์ศกันคท่คะเป็นพค่ะคอรปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศเพงหมดไปใช่ไมคะของเดือนนี้ใช่ใช่ ก็ในการหลีกเร้นปฏิบัติที่วัดป่าดอนไหโศกก็จะมีอยู่ทุกๆเดือนอยู่แล้วในแต่ละครั้งเนี่ยมาต้องยืนยันกับท่านผู้ฟังแล้วก็คุณโยมติ๋วด้วยว่ามันดีมากดีมากนี่คือคือเราไม่ได้ว่าเราชมตัวเองน ะ, ะแต่เราพูดถึงอา น, นิสงส์งของการหลีกเร้นที่จะทำให้เราจริตใจอย่างน้อยเราก็เป็นสุขในทธิทธรรนะโดยส่วนตรงอารมาเองเนี่ยเรื่องการกาหนดบทเพียรชนะเนี่ย บางทีถ้าเราไม่ได้เข้าสมาธิมันจะไม่สามารถทําได้คล่องแคล่วชัดเจนกำหนด บ, บทเพลงชนะนี่หมายถึงว่าเวลาจะพูดอะไรออกมาอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยก็พูดโดยที่ไม่ต้องคิดได้แล้วก็ออกมาดีๆอย่างเงี้ย น, น ะ, ค, ะคือคเราเคยเจอคนที่เป็นแบบนั้นใช่ไหมพูดในที่ชุมชนแล้วแบบไม่ต้องเตรียมการมา ก, ก่อนแม่พูดดีๆอย่างนี้ก็มีซึ่งตรงนี้เป็นลักษณะของคนที่มีสมาธิจิตมีกําลัง แล้วถ้าเรามีการหลีกได้มีการปฏิบัติอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันจะทำความสามารถตรงนี้ให้มันมีขึ้นได้ค่ะนะคะแล้วจากประสบการณ์ในการที่ท่านได้นำการปฏิบัติทำในครั้งนี้เป็นผู้ปฏิบัติใหม่หรือเก่าอย่างไรท่านคะแล้วก็มีอะไรที่คิดว่าท่านฟังที่ไม่ได้มีโอกาสไปที่อยู่ทางบ้านจะได้รับประโยชน์จากบางแง่บางมุมที่ท่านเห็น ได้บ้างค่ะอืมราจัที่กล่าวไปแล้วในเรื่องของการมาปฏิบัติเนี่ยคนใหม่ก็จะมีประมาณครึ่งหนึ่งคนเก่าก็มีครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวนีนะ้ซึ่งก็เลยคิดว่าในปีหน้าเนี่ยจะต้องมีหลักสูตรการปฏิบัติเฉพาะสําหรับคนเก่าละ่ะที่ว่าจะได้อไม่มีคือคนใหม่บางทีมาแล้วเขายังไม่รู้กฎระเบียบอะไรต่างๆเหมือนเหมือนที่เราเคย ม, ยมีมานะพรานันงานจะมีการรบกวนบ้างอะไรบ้าง แล้วก็ในเรื่องของการปฏิบตัติมันมีเนื้อหาเยอะที่อาตมาว่ามันให้ไม่หมดในคราวเดียวซึ่งถ้ามีคอร์สสองสำหรับผู้ที่เฉพาะผู้เก่าอย่างเดียวเนี่ยก็จะได้ให้เนื้อหาที่เพิ่มเติมเหล่านี้ขึ้นไปได้อ๋อคือเหมือนกับว่าจะมีการจัดจัดหลักสูตรให้มีการก้าวหน้าใช่ใช่สำหรับคนคเก่าอย่างเดียวนะคะ่คะ คิดว่าจะใช้ชื่อว่าหลักสูตรทุตุดงทุตังคะอ่าคือแล้วเท่าที่อยู่ในความคิดของท่านตอนนี้ทุตังคะจะจะก้าวหน้าแตกต่างอย่างไรคะเอ่อก็จะมีข้อปฏิบัตินะอันบุคคลทําได้ยากเป็นไปเพื่อขุดเกลากิเลสอย่างยิ่งอ่าที่ปฏิบัติเพิ่มเพิ่มไปอย่างสมาธิเนี่ยบางคนจะบอกว่าต้องเงียบเงียบสงัดวัดต้องไม่มีเสียงอะไรเลยถึงจะทําได้คราวนี้เราจะไม่ละเราจะให้มีเสียง แล้วดูสิ ค, คุณจะทำได้ไหมเราจะให้ไม่ต้องนั่งอย่างเดียวนะคุณต้องไปทำอย่างอื่นด้วย<อ>คุณยังทำสมาธิได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะอ๋อค่ะก็ เ, เรียกว่าฝึกแล้วเตรียมให้มาใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันได้สบายๆเพราะชีวิตข้างนอกนี่มันก็ไม่เหมือนกับเวลาไปวัดนะคะ <laughs> ถ้าท่านค่ะไหนๆพูดมาถึงตอนนี้เดี๋ยวดิวฉันขออนุญาตสรุปให้กับท่านฟังที่อาจจะหูพึงเลย hmm. ว่าเอ๊ะคุณสันสณีกำลังพูดถึงการปฏิบัติธรรมที่ไหนอย่างไรและแถมจะมีหลักสูตรทุตงังคะนะคะที่ก้าวหน้าขึ้นไปอีกเนี่ยเราพูดถึงเมปตาดอนไยโซที่อำเภอหนองหานจังหวั ด, ดอุดรธานีที่พระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนท่านอยู่ที่นั่นและเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรในการปฏิบัติฤีเร้นซึ่งมีการปฏิบัติเป็นประจําทุกเดือนเอ้ท่านคะอย่างนี้ เท่ากับว่าแต่ละเดือนที่ท่านจัดเนี่ยต่อไปภายภาคหน้าถ้ามีอีกหนึ่งหลักสูตรเพิ่มขึ้นมาก็จะรวมกันอยู่ในคราวเดียวกันเลยแต่มีสองชั้นหรือยังไงคะเออไม่ใช่ก็อย่างสมมติปีหนึ่งเราจัดสิบสองเดือนออปีหนึ่งมีสิสองเดือนเราจัดสิบสองครั้งใช่มเราก็จะหักออกครั้งหนึ่งมาทำเป็นสำหรับคนเก่าอ๋อแล้วก็เดือนมกราปีห้าหกอันนี้แผนถึงปีหน้าแล้วนะปีถัดไปอีกก็ <c oughs> ะจะเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ พิจิตต์ว่าจะมีเดือนสิงหาปี55เป็นหลักสูตรคนเก่าสิงหาปี56ก็เป็นหลักสูตรคนเก่าลักษณะนี้อ๋อคนเก่านี่เขาจะแบบนานๆครั้งเขาถือว่าฝึกปฏิบัติเองได้ใช่ใช่แล้วก็เอามากลาวหน้ากันสักครั้ง<อ>หนึ่งส่วนหลักสูตรภาษาอังกฤษท่านเตรียมให้ใครคะก็มีอยู่ที่เขาเรียกร้องกันมาลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นคนต่างประเทศ่นะค่ะจริงๆคนไทยก็ถ้าคุนฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องคุณก็ไปได้ค่ะ อันนี้ก็น่าสนใจมากเพราะว่ามีบางคนแม้กระทั่งตัวที่ฉันเองนะคะบางทีเราเวลาที่มีโอกาสบ้างนานๆครั้งได้พูดกับคนต่างชาติเนี่ยก็อยากจะพูดเรื่องธรรมะให้เขาฟังรู้ว่าคำถา <c oughs> มของเขาเนี่ยควรจะตอบแบบนี้เราไม่รู้ว่าจะใช้ภาษาธรรมที่เป็นภาษาอังกฤษอธิบายอย่างไรงจริงๆเรามมีรายการหนึ่งที่เป็นวิทยุภาษาอังกฤษ <c oughs> อยู่ที่เรดรโอไทยแลนด์ทุกวันอาทิตย์ตอนแปดโมงเช้าของวันอาทิตย์ จริงๆไม่ได้ทุกสัปดาห์หรอกเดือนหนึ่งมีสองครั้งสัปดาห์ที่สามกับสัปดาห์ที่ห้าก็สามารถที่จะไปฟังกันที่นั่นได้ด้วยท่านคะทีนี้ไหนๆท่านก็พูดมาถึงทุตังคะของท่านคนอื่นก็ไม่กี่วันที่ฉันได้มีโอกาสไปวางน้าเขียวคักลับเนะยคะ่ะก็พบกับคณะทุ ด, ดงนะคะมีทั้งพระแล้วก็แม่ชีอะคะ่ะคือใส่ทั้งผู้หญิงผู้ชาย ผู้ชายก็เป็นพระใช่ไหมคะผู้หญิงนี่ก็จะหม่มขาวแบบแม่ชีโกนศีษะเยอะมากเลยจึงเกิดความสงสัยว่าเอาข้อที่หนึ่งสำหรับการไม่มีพื้นความรู้เรื่องทุดงก่อนเลยนะคะว่าทุดงเขาเดิ น, นทำไมแล้วก็ปกติเคยเห็นแต่มีพระทุดงวันนี้เห็นชีทุดงด้วยทำได้หรือไม่มแล้วก็ถ้าเป็นเช่นนั้นอุบาสุอุบาสิกาเนี่ย กับการทุดดงเนี่ยจำเป็นหรือไม่อย่างไรถ้าต้องการหวังความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมค่ะถ้าคาว่าทุดดงเนะี่ยโดยพุทธวจนะเนี่ยแปลว่าข้อปฏิบัติที่ทําได้ยากเป็นไปเพื่อขุดกล่าวกิเลสอย่างยิ่งฟังให้ดีอีกทีหนึ่งข้อปฏิบัติที่ทําได้ยากเป็นไปเพื่อขุดกลาวกิเลสอย่างยิ่งยากนะอย่างเช่นว่าไม่นอนเลยไม่เอนหลังนอนอันนี้ยากแต่อย่างเช่นว่าบางทีรับประทานมื้อเดียวนะอันนี้ก็ยาก ทุกอย่างใส่รวมอยู่ในบาทใบเดียวกันหมดคลุกเต็มที่เลยอันนี้ก็ยากสําหรับบางคนนะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็เช่นว่าใช้ผ้าสามพืนจริงๆเลยนะอันนี้ก็ยากสําหรับบางคนนี่เป็นเป็นข้อปฏิบัติที่ยากอันนี้คือที่เป็นพุทธวัจนะนะค่ะ <Okay. S 1> ทีนี้ในแงม่มุมของ เ, อเรื่องของทุ ด, ดงยังมีอีกคือคนที่ปฏิบัติทุดงเนี่ยข้อปฏิบัติที่ยากเนี้ยบางทีหวังลาบก็มีหวังว่าคนอื่น <Okay. S 1> เขาจะมาสักการะนับถือเราก็มี นะแต่บุรุษเจ้าบอกว่ามีประเภทมีอย่าหประเภทนะบางคนหวังว่าเออเพื่อนพระพุทธเจ้าหรือกุลบาอาจารย์จะได้ยกย่องเราเราทําดีกว่านะโดยที่ไม่ได้หวังขุดกลาวกิเลสนะแต่ทุดงเขวัตเนี่ยกปฏิบัติทุดงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อขุดกล่าวกิเลสถ้าใครทําด้วยเหตุนี้นะแหมเยี่ยมยกมือให้นะเราก็จะยกย่องเชิชดชูพระเจ้าจะยกย่องภิกษุที่ถือทุดงโดยหวังที่จะขุดกล่าวกิเลสของตัวเอง่นะอันนี้มี ท่านคะมสมมติว่าเกิดการเดินเนี่ยด้วยเจตนาแรกในเจตนาดีมากอยากจะเดินไปเพื่อขูดกล่าวกิเลสเคยนั่งรถสบายๆเคยไปไหนสะดวกสะดวกดว ก, กินอยู่ อ, อิ่มน้าสําราญก็ไปทุดงดีกว่านะคะพอเดินเดินไปมันเหนื่อยอืมอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาคนขณะเดินมาก อ, อย่างไรร่างกายเดินก็เหนื่อยนะคะใช่ไอความเมื่อยความเหนื่อยแล้วเรารู้สึก ทุกทรมาน อ, อันนี้มันเป็นกิเลส ด, ด้วยไหมคะอันนี้มันเป็นเวทนาที่ไม่น่าพอใจอเป็นผัสสะที่ไม่น่าพอใจเป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นอมันเป็นกิเลสไหมมันจะทําให้กิเลสออกมากิเลสอย่าง <c oughs> เช่นยังไงจะทำให้เราจิตเราเศร้าหมองกิเลสนี่แปลว่าความเศร้าหมองของจิตนะนะ <c oughs> เช่นเดี๋ยวมันจะคิดละว่าเอ้เราจะขอใครดีน้อน้ำเนี่ยน่ะเรื่องของนี่แซวกลุณมากๆไปแล้ว <Okay. S 2> หรือว่าเราจะทํายังไงดีเนาะเพื่อใเราได้ความสบายอันนี้คุณก็มากๆไปแล้วแต่บางคนยิ่งฟุง้งซ่านไปนู่นนี่เลยคิดเรื่องเครื่องล่างของถังไปนู่นเลยอันนี้ฟุง้งซ่านไปแล้วนิวรณ์ครอบงำทีนี้ <Okay. S 2> ประเด็นจะขอกลับมาที่ประเด็นเรื่องของคำวาทุดดงที่คุณโยมติ๋วพูดว่างั้นไปทุดดงดีกว่าเนี่ยในความหมายของในปัจจุบันเนี่ยคนในปัจจุบันเขาพูดถึงการเดินทางไกล <Okay. S 2> ออคุณเราไปไหนไปทุดดง จะเป็นไงเดินไปเดินทางไกลไปมันไม่ใช่ทุดงไม่ใช่เดินทางไกลาการเดินทางไกลไม่ใช่ทุดงกวาดทุดงกวัดคือข้อปฏิบัติอันบุคคลทําได้ยากเป็นไปเพื่อกุดกล่าวกิเลสอย่างยิ่งมีสิบสามอย่างหนึ่งในสิบสามอย่างนั้นไม่มีเดินทางไกลอไม่มีคแค่กินข้าวมื้อเดียวไม่รับโภชนาที่เขามาถวายเพิ่มเติมคือคือเรื่องการเดินเนี่ยมันเป็นมันเป็นไม่ใช่พุทธปัจจณานะอ่ะวังนันเถอะ <c oughs> แล้วก็ถ้าบอกว่าเราต้องการจะเดินไปถือทุดงมันไม่ใช่คุณอยู่ที่วัดในเมืองคุณก็ปฏิบัติทุดงกวัดบางข้อได้ <c oughs> อย่างเช่นพระในวัดบวรอย่างเงี้ยอยู่ใจกลางบางลำพูเลยถ้า <c oughs> ท่านจะฉันมือเดียวเอานั่นทาน่า น, า, า, ทานปฏิบัติทุโดงกวัดพระเจ้ายกนิ้วให้ถ้าผมว่าท่านปฏิบัติเพื่อขุดกาวกิเลสจริงๆริง <c oughs> ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไหนอื <c oughs> ท่านกำลังจะบอกว่าดังนั้นการเดินทุดงเนี่ยหรือการทุดงไม่ไม่มีคําว่าเดิน นะคะกาะราาปฏิบัติทุดงขวัตนี้<ะ>ใช่ไหมไม่จะเป็นต้องเกี่ยวกับรูปแบบเพราะว่าดิฉันเนี่ยสมัยเด็กๆ เ, เข้าใจว่าถ้าเป็นพระทุโดงต้องแบกกรดมาด้วยหลังหนึง่ง ท, ทีนี้มันเป็นยังไงคือพ ร, คพระที่ปฏิบัติทุดงขวัตเนี่ยพระที่ปฏิบัติทุดงขวัตในรุ่นของหลวงปู่มั่นหรือว่ารุ่นลูกศิษย์ของท่านในยุคแรกเนี่ยน ะ, ะก็จะคือท่านเป็นพระที่ปฏิบัติทุดงขวัตอยู่ เช่นท่านฉันในบาทอย่างเดียวท่านอยู่ป่าเป็นเพราะเป็นประจำไม่อยู่ในบ้านแล้วท่านไปไหนมาไหนก็ด้วยการเดินทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อพระทุดงนี่ต้องเดินไปแบบกดถือบาทนะไม่จำเป็นไงคือคุณอยู่ในเมืองคุณก็ปฏิบัติทุดงขวััดได้ค่ ะ, ะนี่จึงเป็นความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทุดงซึ่งอาจจะทำให้คนที่จินตนาการไปเรื่อง ทุกังคะหลักสูตรก้าหน้าของท่านไป บ, บูรนว่าต้องไปเดินด้วยหรือเปล่าเนี่ย mm. ได้เข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วเป็นวิธีการปฏิบัติเพื่อเป็นการขูดกล่าวกิเลสทาในสิ่งที่ทําได้ยากพระพุธองระบุจํากัดไปเลยว่ามีเพียง13ข้อหรือไงคะงหรือว่ามี13อย่างต่ำมี13ข้อเท่านั้นเองอ๋อเราไม่สามารถมีความคิดสร้างสรรค์ครีเอทอะไรขึ้นมาใหม่ๆที่เราว่ายากนะคะอันนั้นเนี่ยถ้าคุณมีความเพียรมากไปจะเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่าน คืออย่างพระโนาเนี่ยเพี้ยนมากเลยเดินตรงจงกรมจระตั้งเท้าแตกคิดฟุ้งซ่านเดี๋ยวฉันทําไปนี่เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นั่นแล้วก็ทํำไ้โน่นอีกอันนี้คือแสดงว่าคือคนที่ปรารบความเพี้ยนมากเกินไปจิตมันจุฟุ้งซ่านไงทำให้มันให้เราทำให้เป็นแนวนั้นไปมีข้อนั้นเติมมีข้อนี่เพิ่มซึ่งจริงๆไม่ใช่ละเกินละอันนี้เกินละค่ะอันนี้ก็เท่ากับว่าเหมือนกับเป็นข้อควรระวังใช่ว่าอย่าปรารบความเพี้ยนมากเกินไป จิตจะฟุ้งซ่านที่เป็นผู้ทวัจะนะเลยนะครับใช่ความเพียรที่ปรารบจัดเกินไปเนี่ยจะเป็นไปเพื่อความฟุงม้งซ่าน ค, ความเพียรค่ะความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปเนี่ยก็จะเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านอันนี้ที่ตรัสกับท่านพระโสดนะเพราะฉะนั้นพระที่ปฏิบัติทุดดวงวัตดเนี่ยท่านปราลบความเพียร น, นะไม่ใช่ง่ายๆนะคุณโยมติ๋วอย่างเช่นไม่นอนอย่างเงี้ยอยู่ซื้ออียบท3ามเว้นอริยบทนอนกลางวันก็ไม่นอนกลางคืนก็นั่งหลับเอานะแล้วมันมันมันเพียร่ะ เพียนอย่างนี้บางทีฟุ้งซ่านเดี๋ฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วฉันเดินไปที่นู่นดีกว่าไปที่นู่นไม่มีรถทำยังไงไปไงเดินไปก็แล้วกันนะมันเป็นอย่างนั้น<ม>ทำให้เราเห็นภาพที่ว่าโอ้พระปฏิบัติทุดงต้องเดินจริงๆแล้วเลยคิดว่าเดินเนี่ยคือการปฏิบัติทุดงจริงๆไม่ใช่นะท่า น, นปฏิบัติทุดงมาก่อนแล้วท่านถึงเดินไปอาจจะด้วยความฟุ้งซ่านหรือเดินไปเพื่อความขนขวายน้อยเราก็ไม่รู้ลแหละก็จะเป็นเรื่องที่ท่านสามารถตัดสินใจทําได้นะค่ะคือเหมือนกับว่าไม่ไม่ใช่ว่าต่อไปนี้ไปเห็น พระเดินทุดงแล้วมีความรู้สึกว่าพระธรรมผิดเพราะว่าเดินเดี๋ยวจะยุ่งกันเข้าไปใหญ่ไม่ใช่่ไหมครับไม่แน่ไม่ไม่ใช่ไม่สามารถสันทงได้ค่ะท่านท่าจอาจารทีนี้ พอจะไปถึงคําถามต่อไปได้หรือยังคะว่านอกเหนือจากพระแล้วผู้ที่ปฏิบัติแล้วมุ่งหมายปลายทางสูงสุดเนี่ย<อ>จำเป็นจะต้องออกธุดง<อ>ได้ไหมคะคือเป็นใครก็ไดนะ้ที่อยู่ในพุทธบริษัท4นะอรรมานี่คือในความหมายของอรรมาในความเห็นอรรถมานะที่พระเจ้าพูดกับว่าภิกษุภิกษุทั้งหลายเนี่ยคือมันก็ใช้ได้กับพุทธบริษัท4ทั้งหมดนะอยงจะมีบางข้ออย่างเช่นมาถือผ้าสาผืนอย่างเงี้ยสําหรับคารวะอาจจะทําข้อนี้ไม่ได้ คือมีเครื่องแบบน้อยมากอะ่ะมีแค่ผ้าสามผืนคุณต้องอยู่ให้ได้ครับ<า>อบางาบนคนมาหลีกเล่นที่วัดป่าหลวงนายอสคุณโยมติว<า>โอ้โหกระเป๋าใบเบื้ริ่มเลยมีเสื้อผ้าทุกแบบแต่อาตมาก็งงๆต้องให้อภัยค่ะครั้งที่หงยังไม่เข้าใจเพราะครั้งที่สองอาจจะกระเป๋าเบาลงเล็กลงใช่คอาจารย์คะทีนี้มาอีกคําถามทิ้งท้ายเลยก็นละกันนะคะเมื่อตอนที่ได้กราบเรียนถามท่านถึงเรื่องว่า ถ้าสมมุติว่ามันเกิดปวดเมื่อยอะไรมันเป็นกิเลสหรือไม่แล้วท่านก็นอธิบายไปจึงอยากถามว่าหากมันเกิดลักษณะอย่างนั้นขึ้นมานะคะว่ามันเมื่อยมันทุกข์ทรมานเราจะทําอย่างไรถึงจะถือว่าเรากําลังกําจัดความทุกข์ทรมานนั้นไปด้วยแล้วก็ได้ปฏิบททัติธรรมที่ถูกต้องไปด้วยคะสิ่งที่จะกีดกันทุกข์ทรมานได้พระพุทธเจ้าใช้สิ่งที่เรียกว่าอดทนบุคคลที่อดทนเนี่ยชื่อว่ากีดกันแล้ว กี่การสิ่งที่จะมาเป็นศัตรูกับเราอะนะ <Okay. S 1> ทีนี้ถ้าความเจ็บปวดตรงนี้มันจะมาเป็นศัตรูกับเราเนะอดทนพุง่งความความเจ็บปวดนั้นก็จะไม่เป็นศัตรูของเราทีนี้ความอดทนมันมีกี่จํากัดไง <Okay. S 1> ถ้าคุณเลิอกอดทนเมื่อไหร่พู่งตรงนั้นแหละคุณคุณก็อดทนไม่ได้ก็เลิก <Okay. S 1> ใช่ไหมอ่ามันก็อยู่ที่ว่าความอดทนใครมีมากมีน้อย <Okay. S 1> นี น, นี้ข้อที่1 ห, หรือข้อที่สองนะนี่วิธีการที่2ก็คือว่าคุณเห็นความความทุกข์นั้นนอะ สิ่งที่เป็นทุกขเวทนานั้นนะ่ะโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะเพราะว่ามันเกิดเกิดดับดับมื่อก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้ก็มีมาพอเราเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยเราจะเบื่อในสิ่งของที่มันไม่เที่ยงใช่ไหมมันหาสาระอะไรไม่ค่อยได้โอ้ยไม่เล่นและกันของเด็กเล่นอย่างเงี้ย น, นะเราะจะปล่อยวางได้คลายกำหนัดแล้วปล่อยวางได้นี่ก็วิธีที่สองค่ะอ๋อค่ะก็หาทางออกให้เลยนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะค้างใจอะไมนันเป็นเรื่องปกติเกิดขึ้นมาหาทางออกให้หน่อยสิท่านพิบูลนก็เรียกว่าวันนี้ หน้าที่จะทําให้ท่านทั้งหลายไม่ค้างใจนะคะตนเองก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยค่ะนรัส ก, การค่ะเจริพานค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะท่านไปบุญนั้นก็ทํางานหนักนะคะท่านจะมีคอสปฏิบัติธรรมของท่านอย่างสม่ําเสมอไม่มีขาดมีแต่คิดจะเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นส่วนท่านทั้งหลายเนี่ยที่ได้ฟังตั้งแต่ตอนต้นที่ท่านพูดว่าการไปปฏิบัติธรรมทุกครั้งที่มันมีประโยชน์อย่างยิ่งที่ปรากฏเห็นได้ชัดสนใจก็ลองติดต่อกันไปนะคะเรียกว่า จะปีใหม่ปีเก่ามีแต่จะทำให้หนักแน่น ม, มากยิ่งขึ้นอ่าก็ติดต่อไปที่วัดป่าดอนหายโสดนะคะหลวงพ่อ d r c o m ส่วนถ้าเป็นคำถามอยากจะถามคำถามเข้ามาเองก็ส่งไปที่เพียวธรรมะดอทหรือ02269 0 0งที่นี่ท่านยังจะสามารถ ขอหนังสือพุทธวจนะเพื่อไปศึกษานะคะว่าคำสอนล้วนๆของพระาศาสดาที่พวกเราก็สามารถเข้าใจได้แล้วก็จะทำให้เราไม่หลงทางด้วยเพราะว่าเราได้อ่านทฤษฎีตรงๆเลยนะคะไม่มีขายที่ไหนท่านก็ติดต่อเข้ามา ที่นีก็แล้วกันค่ะ022690006สำหรับดิฉันสัมสนาหน้าพงและรายการสัมสมนีสนทนาที่ประวรนาเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์คำสอนของพระาศาสดาพุทธวจนะ น, นะคะเราก็ลาท่านผู้ฟังในวันนี้กันไปก่อนขอให้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่พุทธวจนะนำความสวัสดีมาให้กับท่านพุทธสวัสดีค่ะ